ท่านจะลืมไปตลอดเวลาว่ากลายเป็นตัวเราที่ปรุงแต่งได้ปรุงแต่งอย่างวุ่นอย่างนี้ได้ปรุงแต่งจะไปถึงอะไรได้ปรุงแต่งจะไปเป็นอะไรได้การเป็นกายเป็นตัวเราปรุงแต่งได้ไกายเป็นตัวเราเป็นตัวเป็นต้นจะไปถึงอะไรได้ เรา แ, แท้คือวิญญาณที่มาเกิดเรียกว่าจิตดังเดิม แ, แท้ๆหรือใจดังเดิม แ, แท้ๆตัวนั้นน่ะของแท้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการใดๆ ไ, ได้เลย ว่าลืมมันก็เลยต้องไปเริ่มละจากขันห้าใหม่เลยใช่ไหยคะเพราะว่าเหมือนเวลาคิดมันก็จะติดอารมณ์ไปใช่คะพอหาไม่เจอปุ๊บถ้าทุกครั้งอ่ะมันก็ต้องกลับมาวางกายก่อนทุกรอบเลยต้องมาเริ่มต้นแบบน้องว่าเออเราไม่ได้มีตั้งแต่ร่างกายเลย มันก็เลยหาจุดเริ่มต้นยากหน่อยครั้งแรกคือมันไม่ไม่ลงกระจว่าถ้าตัวเราไม่มีอยู่เลยมันก็ไม่ต้องไล่ใหม่ก็อย่างนั้นเนี่ยนี่พอเราไปสร้างความรู้สึกว่ามีเราเป็นตัวเป็นตนมีตัวตนของเราเราไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในใจของเราโดยแยบคลายต่อเนื่องไม่ขาดสายโยนิโสมนาสิการว่าเราแท้แทเนี่ยมันคือวิญญาณตั้งเดิมแท้แหรือจิตตั้งเดิมแท้แท้หรือใจตั้งเดิมแท้แของแท้เนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้ มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีกิริยาการใดๆไม่ได้เลยไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปร่างเป็นอสรีลังอสรีหลังสรีละแปลว่ามีรูปพันธสัตว์มีรูปร่างแต่อสรีลังคือไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันธสถาน์ใดๆเลยทั้งหมดไม่มีกิริยาการใดๆเลยไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีผ่สงใสไม่มีเศร้ามองไม่มีมืดไม่มีสว่างเราไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างหรอกเราจะแทบเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณตั้งเดิมมแทหรือจิตตั้งเดิมมาทร่หรือใจตั้งเดิมมาแทรที่ไม่มีอะไรเลย มิแต่ความรู้มิแต่ความรู้วิญญาณแปลว่ารู้วิญญาณไม่ได้แปลว่าผีวิญญาณแปลภาษาบาลีว่ารู้วิญญาณแปลว่ารู้มิแต่ความรู้ตัวตนไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยตรงนี้พอไม่เป็นรู้มันก็เอาตัวเราไปเป็นปุงได้แล้วตรงนี้ไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปปรุงแต่งไปกระเพื่อมไปไหวตัวไปมีกิยาการใดๆได้เราจะลืมตรงนี้ไปเรื่อยตัวนี้เรียกว่าไม่มีสติปัญญาคอยกํากับเอาไว้ เขาไม่มีสติปัญญาคอยกํากับไว้มันก็กลายเป็นตัวเราปรุงแต่งได้กระเพื่อมได้ไหวตัวได้เสียใจได้พยายามให้เป็นสุขได้ทุกข์ไม่เอาได้ดิ้นรนฝักใสได้เกลียดนั่นรักนี่ได้เราเนี่เป็นของแท้มันเป็นวิญญาณแท้จริงมาเกิดหรือใจแท้หรือจิตกลางเดือดแท้มันปรุงอะไรไม่ได้เลยรักไม่ได้ชังไม่ได้เกลียดไม่ได้โกดไม่ได้ ไอ้ที่เราเนี่ยที่เรารู้สึกว่าตัวเรามีอาการอะไรได้เนี่ยมีรักได้มีจังได้มีเกลียดมีโกรธมีจาลิษยามีพอใจมีไม่พอใจได้มีสุขมีทุกข์มีเศร้าหมองมีฟองใสได้เนี่ยไอ้นี่ล้วนแต่เป็นขันนาที่มันเราปรุงแต่งเสร็จแล้ววิญญาณดั้งเดิมแท้มันไม่มีเราปรุงไม่ได้แต่วิญญาณดั้งเดิมมันแท้เหมอมันเข้ามาผสมกับสะเพิ่มกับไข่แล้วก็สักพืชจากสัตว์ที่แม่กินเข้าไปหายใจอารมณ์หายใจเข้าไป แล้วก็เอาความร้อนเอาความอบ อ, อุ่นเข้าไปดินน้ําลมไฟธาตุดินก็นมาจากเนี่ยตะเพิมของพ่อธาตุน้ำกับไข่ของแม่เริ่มต้นจากนั้นเสร็จแล้วก็กินสาหร่ายสาหายสัตว์เข้าไปพอวิญญาณจะแสวิญญาณดั้งเดิมแตะแสวมาเข้าผสมบมันก็เลยกลายเป็นรูปเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นรูปเนี่ยคือมีเวทนาสัญญามีรูปร่างขึ้นมามีเวทนาสัญญาตั้งการวิญญาณมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีชีวิตจิตใจขึ้นมาหละกันเนี้ย แต่วิญญาณแท้แท้ที่มาเกิดจิตังเดือระจายหรือใจแงเดือแท้ไม่มีอะไรเลยเราแท้แท้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีคิดสึกควตามปรุงแต่งไม่ได้กระเพื่อไม่ได้ไหวตัวไม่ได้แต่พเอเผยเอาอีกล่ะ เราขาดสติปัญญาที่คอยกำกับไว้เอาการเป็คนคิดได้ลึกได้ตูกทุกได้อิจฉาหรือเสียาพอใจไม่พอใจได้พยายามจะไปห้ามตัวเองไม่ให้อย่างนั้นไม่ให้อย่างนี้พยายามจะไปเลือกเอาอย่างนั้นพยายามจะไปเอาอย่างนี้อย่างนี้จะเอาอย่างนั้นไม่เอาเลยกลายเป็นไปทํามีปฏิกิริยาได้มีแอคชั่นได้ไปไปแสดงพฤติกรรมได้ไปไปมีการกระทําได้มีการไปเอาอะไรได้ไม่เอาอะไรได้มีการไปแทรกแซงได้เลยกลายเป็นผู้กระทําได้เลยตอนนี้ จิวิญญาณแท้เนี่ยมันได้แต่รู้อย่างเดียวกับเป็นผูก้กระทำไม่ได้เป็นผู้แสดงไม่ได้เป็นผู้เล่นผู้แสดงไม่ได้เป็นผูก้กระทําไม่ได้เป็นผู้แอคชั่นไม่ได้แต่พอมันผสมแล้วเนี่ยกับสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่แล้วกินซากพืชซากสัตว์เข้าไปกินดินกินน้ํากินลมกินไปเข้าไปแล้ววิญญาณก็เลยเข้ามาผสมพอมาผสมแล้วมันจะมีการแอคชั่นได้ไอ้ตึ้งเป็นตัวเราจะเป็นแอคชั่นได้คิดนึกจิตจองปรุงแต่งได้มีอารมณ์ได้รักชังได้ เกียจโกดิชาริษยาได้สุขทุกข์ได้พองไสไส้เศร้าหมองได้พยายามพยายามพยายามจะทําอะไรเป็นอะไรได้อันนี้เป็นตัวปุงแต่งคือตัวขันห้าที่พอสิ้นอายุไขก็ดับหมดแต่ตอนยังไม่สิ้นอายุไขก็เกิดเกิดดับดับชีวิตมีการดําเนินไปได้แต่พอถึงเวลาแล้วก็ดับหมดเลยดําเนินต่อไปไม่ได้ตัวแอคชั่นได้ที่เล่นได้ที่แสดงกิริยาการได้เสร็จแล้วก็ดับหมดไมเหลืออะไรเหลือแต่ใจหรือจิตดั้งเดิมใจหรือวิญญาณดั้งเดิมกระแสกลับไปแต่ถ้ามันยังมีความยึดถืออยู่มันมันไม่เป็นของแท้ คือเริ่มเจอจุดตัวเองอะค่ะว่าจะลงที่ตายเลยอะคะ่ะตอนนี้มันขาดใจตายเลยตอนนี้มันไม่มีอะไรจะไปต่อได้มันไม่มีอะไรให้ยึดถือได้ แลามันก็ไม่ไม่แสบสายหาไม่ไปยุ่งกับจิตก็ดูแต่ที่อาการมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันจะเป็นมากกว่าก็ดีกว่าอย่างนี้นก็ดีกว่าแต่ไม่เชื่อว่าไปสร้างความรู้สึกตอนที่เราเป็นอยู่แล้วบอกว่าไม่เหลืออะไรเลยมันคนตายอย่างนั้นไม่ใช่อ้เนี่ยเปรียบให้เห็นว่าเราเนี่ยถ้าเราตายแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นที่สุดก<ม>็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เชื่ว่าตอนนี้เลยไม่ตายไปสร้างหมเป็นจะมีความรู้สึกว่นคนตายมันก็เลยจะตายจริงๆแต่เพื่อให้น้อมว่าถ้าเราตายแล้วเนี่ยไอสังขารทั้งวลต้องดับหมด มันจะได้เหลือแต่วิญญาณที่สิ้นความเป็นตัวตนเหลือแต่รู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรออกจากล่างนี้ไปอีกแต่ตอนนี้เรายังไม่ตายมันก็ต้องไปทําความรู้สึกเหมือนคนตายแล้วก็ว่างไปว่างจากตัวตนทําไปความรู้สึกว่างไปอันเนี้มันยังยึดถืออยู่นะเรา้ออาจใจให้ออกว่าไปยึดถือความว่างๆยึดถือความไม่มีตัวตนอันนี้ยึดถือแล้วเหมือนคนตายตอนนี้ก็จะตายจริงๆอันนี้เพราะว่าไปทําใจว่างๆแห้งๆไปเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ยทําอย่างนี้คือคนตายจริงๆ คือหมายถึงว่าที่ให้พิจารณาความตายแบบนั้นเนี่ยคือว่าเห็นว่าเออสังขารเราจะได้ปล่อยวางหมดอะไรที่เป็นสังขารปล่อยวางหมดอะไรที่เป็นสังขารปล่อยวางหมดอะไรก็ตามที่มันกระเพื่อมได้ไหวตัวได้คิดนึกตึกซองปรุงแต่งกระเพื่อมได้ไหวตัวได้ให้ปล่อยวางหมดปล่อยวางหมดตลอดเวลาเพราะว่าเออถ้าตายแล้วมันไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปสร้างตัวเองเหมือนคนตายว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีอะไรเลย อย่างตายจริงๆนะนี่ถึงเรืความตายจริงๆก็ทําผิดก็ที่เห็นว่าโลกมันอยู่ไปขณะหนึ่งนี่ก็จัดใจที่มันมาจากตรงเนี้ค่ะว่าเออมันตายแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นมาได้ทุกอย่างมันก็เลยแยกออกแบบตัวมันก็เลยเป็นอิสระคือร่างกายก็ทํางานของมันใจก็ดูความรู้ก็มีแต่เขาไม่มีผู้รู้มาดูอยู่อีกอืมันก็ต้องมีจิตเนี่ย ที่แสดงกิริยาการทํางานเกิดเกิดดับตลอดเวลานะเพราะว่าเรายังยังไม่ใช่คนตาย <ฮะ S 2> แต่ว่าไม่มีใครมายึดถือ<ช>อาการกิริยาการของจิตที่เกิดเกิดดับดับน ะ, <ฮ>ะแต่หมเอเฟิร์เนี่ยมันไ ป, ไปไปรู้อยู่กับความว่าง<อ>ไปรู้อยู่กับ <ๆ S 2> ความว่างมันไม่ได้ม า, มารู้ไอ้เ็รูว่ามันมีอาการกิริยาการเกิดเกิดดับดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าแต่ไม่มีใครมาสำรวจไม่ใครมารองรับไม่มีใครไปยึดถือจิตที่มันคิดนึกตองพงแต่งกิริยาการที่เกิดเกิดดับ ต้องเห็นเนี่ยลุกณาปัจจุบันมันมันเนี่ยมันมีกิริยาการเกิดเกิดดับดับอยู่ภายในใจแต่ไม่มีใครไปสเสวยไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นแต่ถ้าเราไปรู้แต่ว่างอย่างเดียวเนี่ยเราไม่เห็นจิตเกิดเกิดดับดับอันนี้ถึ ง, ถ, งถึงตายเลยนะแช่ถึงตายเลยอะ่ะเนี่ยมันมันคล้ายกันมากนะแต่มันไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้เห็นเห็นแบบเนี้ยค่ะเห็นแต่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้วก็หายเกิดขึ้นแล้วก็หาย แต่มันก็รู้สึกว่ามันยังมีคาอยู่เพราะมันไม่เหมือนตอนที่มันมันหยุดไปจริงๆคือมันก็ยังทํางานอยู่ตอนนี้ไม่เป็นแต่ไม่เล็งแต่ยึดสภาวะแล้วยึดสภาวะที่เงียบสงบสงัด้ปอันนี้ยึดนะยึดถือนะยึดถือไปยึดถือสภาวะที่เงียบสงบสงัดจะต้องไม่ยึดถืออะไรเลยมีแต่ปัจจุบัน ปัจจุบันที่ว่ามันจะเงียบงสงบสงัดก็ไม่เข้าไปไยึดถือเนี่ยที่ที่บอกว่าเนี่ยพอใจมันไปถึงใจที่เงียบงสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติก็ไม่ยึดถือใจอีกเนี่ไปตามหาสภาวะนั้นที่เงียบสงบสงัดแล้วก็ไปยึดถือในปัจจุบันนี้เลยเพื่อจะให้ไปถึงสภาวะนั้น<อ>แล้วไปสร้างเลยการเป็นสร้างความรู้สึกให้ตัวเองว่างเปล่าไม่ปรุงแต่งอะไรเลยเลยมจะันจ ะ, จะตายจริงๆเนี่มันไปนหมายไว้แล้วอืมไปสําคัญมั่นหมายที่เขาเรียกว่าสําคัญมั่นหมายไปปักธงไว้ค่ะ มันก็ซ่อนหน้าตาให้ขายกันอืมก็ช่างมันถึงไม่ถึงก็ช่างมันเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวคำพูดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวที่หมอเฟิรบอกว่าถึงไม่ถึงก็ช่างมันในแสดงว่าในใจลึก ๆ, ๆ, ๆนี่ยมันจะมีมสิ่ ง, ง, งที่ถึงแล้วก็จะมีตัวแบบไปถึง<ช>ผิดสองต่อนะอเนี้ยผิดสองเด้งนะคือไปหมายว่าจะมีสิ่งที่ถึงผิดหนึ่งเด้งและผิดอีกอันก็คือว่าจะมีตัวเราไปถึงสิ่งนั้นได้อันนี้ผิดทั้งสองอย่างนะ มีแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกขณะปัจจุบันเนี่ยใจก็ว่างเปล่าไปแล้วก็ในใจที่ว่างเปล่าก็มีความรู้สึกมาคิดติดตอมปรุงแต่งมีอารมณ์ต่าง ๆ, ๆเกิดขึ้นเหมือนฟ้าแลบบนตองฟ้าเหมือนตอมน้าที่เกิดแล้วดับไปเหมือนแสงหิงห้อยที่เกิดดับในธรรมชาติแต่ไม่มีใครไปยึดถือตั้งไหนอาการของจิตที่เกิดดับเกิดดับในความว่างเปล่าเหมือนกับไม่มีคนไปยึดถือฟ้าแลแบอาการของฟ้าแลบแล้วไม่มีใครไปยึดถือตองฟ้าที่ว่างเปล่า พันในร่างกายจิตใจเราก็เหมือนอันน่ยจิตใจเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่ากริยาการของจิตเหมือนฟ้าแลบไม่มีใครไปยึดถือต้องฟ้าแลบและไม่มีใครไปยึดถือตั้งท้องฟ้าที่ว่างเปล่าได้แต่รู้เห็นอยู่ว่าฟ้าแลบอยู่บนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแล้วฟ้าแลบเนี่ยไม่อาจทําอะไรท้องฟ้าที่ว่างเปล่าได้คือฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่ได้ทําให้ท้องฟ้าที่ว่างเปล่านั้นไม่ไฟได้ฟ้าจะผ่าได้เฉพาะบ้านเรือนซึ่งต่างๆที่มีตัวตนมีรูปร่างให้ถูกทําลายได้ แต่ฟ้า จ, จจาจะผ่าจะล้องจะแลบจะฝ่ายจะผ่ายัางไงก็ตามไม่สามารถทำลายท้องฟ้าที่ว่างเปล่าได้เหมือนกิริยาการของจิตไม่ว่าจะรุนแรงหรือค่อยหรือปานกาลางหรือจะมีกิริยาการเพียงใดก็ตามไม่สามารถผ่าหรือเผาไหม้ทํำลายใจที่ว่างเปล่าได้และไม่มีใครไปยึดถือดิ้นรนผ่าสายกิริยาการของจิตเห็นแต่ว่ามีกิริยาการของจิตเกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าเหมือนกับเห็นฟ้าแลบอยู่บนทองฟ้าที่ว่างเปล่า และไม่มีใครไปยึดถือท้องฟ้าที่ว่างเปล่าไม่มีใครไปยึดถือใจที่ว่างเปล่าหรือว่าไม่มีใครไปยึดถือความว่างของท้องฟ้าแล้วก็ไม่ดิลนผักใสลังเกียดฟ้าแหลกฟ้ารองฟ้าผ่าได้แต่แค่รู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่มีใครยึดถืออันในจิตใจของเราเนี่ยอาการกิริยาการของจิตเนี่ยเหมือนกับแฝงแหลกแฝงรองฟ้าผ่าถ้ามันเกิดรุนแรงเหมือนกับฟ้าผ่าเลยแต่อย่างไรก็ตามมันก็เกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่า ไม่มีใครไปยึดถือความว่างของใจที่ว่างเปล่าไม่มีใครไปดิ้นหลนผัดสายหมุนอิดลำคาลกิริยาการของจิตที่เกิดขึ้นมาในทุกขณะปัจจุบันได้แต่รู้อยู่เห็นอยู่เหมือนกับรู้ว่าบนท้องฟ้าที่ว่างเปล่านั้นมีฟ้าแลบฟ้ารองฟ้าผ่าแต่ไม่มีใครไปรังเกียจฟ้าแลบฟ้ารองฟ้าผ่าและไม่มีใครไปยึดองฟ้าที่ว่างเปล่านั่นแน่คือจะสิ้นทุกคนจักทุกได้ไม่มีว่าไปหมายว่าจะมีอะไรเนี่ยสภาวะนิพพานคืออะไรแล้วมีหมายว่าจะมีตัวเราไปถึงตรงนั้นน่ะไม่มีมีแต่เนี่ย เหตุการิยาการของจิตทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนฟ้าลอดฟ้ารองฟ้าผ่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเหมือนสองฟ้าที่ว่างเปล่าไม่มีใครไปยึดทั้งความว่างของสองฟ้าแล้วไม่มีใครไปยึดฟ้าแหลกฟ้ารองฟ้าผ่าที่ไปรังเกียจฟ้ารองฟ้าผ่าดังนั้นอาจิก็ถามหลวงปู่ดูนาตโลพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพนับถือว่าหลวงปู่ยังมีโกรธไหมมีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอาไม่ใช่ว่าไม่มีฟ้าแหลกฟ้าลรองฟ้าผ่ามันต้องมีมันเป็นมันเป็นเพียงแค่กิริยาการของจิตที่เป็นขันห้า แต่มันไม่เป็นมายามายาคือเข้าไปยึดถือให้เป็นทุกข์มายาหรือมานยาเนี่ยคือเข้าไปสแสดงเข้าไปเป็นผู้เล่นผู้สแสดงเขาจองเรียกว่าเรียกหนังเรียกละครว่าโลกมายาคือเข้าไปยึดถือเข้าไปเป็นผู้เล่นไปเป็นผู้สแสดงแต่ท่านมีแต่กิดิยาการของจิตล้วน ๆ, ๆไม่มีใครเข้าไปยึดมาถือม า, ลาลเลยเรียกว่ามีแต่กิดิยาการของจิตไม่เป็นมายาพุทธเจ้าพระองค์หลายทัานสิ้นมายาแล้วมีแต่กิดิยาการของจิตเข้าใจไหม ผู้ป ฏ, ฏิบัติเนี่ย ไ, ไม่น้อยเลยละที่ปฏิบัติผิดเน่ยลังเกียดดิ้นรนผักใส่อาการแล้วไล่ดับอาการให้ดับไปพยายามจะดับความคิดทุกความคิดให้ดับไปแล้เหลือใจใจว่างเปล่าพวกหนึ่งก็ไม่ไปเห็นความคิดไม่ไล่ดับความคิดแต่พวกห น, นึ่งเนี่ยสร้างใจที่ว่างเปล่าแล้วไปอยู่กับใจที่ว่างเปล่าเลยพผู้นี้ถึงตายนะผู้ที่ไล่ดับความคิดเนี่ยยังไม่ถึงตายเพราะว่ามันมีเห็นความคิดอยู่ไล่ดับยังไงมันก็ดับไล่ดับไม่หมดเพราะมันเป็นชีวิตมันจะดับยังไงก็ดับไม่หมด เพียแต่ว่านิ่งสักพักเดี๋ยวก็คิดอีกจะดับให้นิ่งมันก็ดำมืดมืดตื้ออยู่ข้างในเนี่ยดับไปเป็นคนตายดับความคิดพยายามจะดับไปแต่ยังไงมันดับอยู่ได้ไม่ตลอดไปหรอกเราก็ต้องคิดขึ้นมาอีกแต่พวกจับว่างนี่สร้างความรู้สึกว่างแล้ไปแช่ว่างอันนี้ถึงตายเลยเป็นตายนะเพรานะเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะผู้ที่ยังรู้ยังไงว่าเราแช่ว่างกับไม่ยึดถือแม้แต่ความว่างไม่ยึดถือแม้แต่ใจที่มีความคิดมันจะองปรุงแต่งเนี่ยคือพวกที่แช่ว่างหรือแช่โปร่งโล่เบาสบายว่างๆเนี่ย ไม่เห็นว่าตัวเองคิดอะไรผู้ได้แช่ว่างแช่เบาสบายเนี่ยให้สะเก็ไปเลยที่ผิดเนี่ยก็คือว่าไม่เห็นว่าตัวเองกาลังคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาในทุกขณะปัจจุบันเราเนี่ยคิดตลอดบ่นตลอดพูดตลอดพูดอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวคิดติดตออยู่คนเดียวเห็นอะไรก็พูดอยู่คนเดียวคิดติดตออยู่คนเดียวแล้วเห็นคนก็พูดมันก็นึกในใจเออคนนั้นอย่างนี้ไอ้คนนี้อย่างนี้ไอ้คนนี้เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไอ้คนนี้เคยเห็นหน้ากันมาก่อนไอ้คนนี้เป็นใครนะมันกันนึกอย่างเนี้ยใจมันก็ตํางนึกอย่างลุกตายอย่างเนี้ยเออโยมมาสาม ว่ไม่เคยหน้ามาจากไหนมันก็ต้องนึกทุกคนเน่ยไม่มีใครในโลกนี้ไม่ไม่มีเห็นใครแล้วไม่ไม่คิดตึกตองอะไรแต่มันรู้ไหมแล้วว่าเรากําลังคิดนึกตองอะไรเนี่ยสําคัญที่สุดอ่ะมันไม่ได้สําคัญว่าเราคิดนึกตองอะไรแต่มันรู้ตัวไหมแล้วว่าเรากําลังคิดนึกตองอะไรตรงนี้สําคัญมากนะไม่ใช่สารสำคัญว่าเราเนี่ยคิดนึกตองอะไรแต่สําคัญว่าเรารู้ตัวไหมว่าเรากาลังคิดนึกตองอะไรทุกขณะปัจจุบันอันนี้จึงจะพ้นทุกข์ กับไม่สําคัญว่าจิตจะว่างหรือไม่ว่างถ้าไปแช่จิตว่างแล้วไม่เห็นตัวเองคิดนึกตึกตองทุกขณะปัจจุบันไปแช่ว่างอย่างเดียวไม่เห็นความคิดอันนี้ถึงตายเลยนะมันจะทําให้เกิดโลกที่ตามมาคือโลคภูมิคุ้มกันบกพร่องทํา้ายตัวเองเราสังเกตมาเนี่ยยี่สิปีเนี่ยสังเกตคนที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโลคภูมิแพ้ภูมิแพ้เนี่ยเกิดจากนี่หมดเลยไม่ใช่ว่าเขาบอกไม่เคยฝึ ก, กจิตมาเลยแต่มันฝึกมาข้ามภูเข้ามชาติเกิดมาก็ใจสบายไปแล้วแล้วแช่แจ้ใจสบายตั้งแต่เด็กเลย และพวกเนี้ยสุดท้ายก็ภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กแล้วก็ตายด้วยโรคเลือดมะเร็งในเลือดมะเร็งในไขกระดูกบ้างแหละสุดท้ายสารเคมีในร่างกายไม่หลังแล้วที่สุดแล้วไงพอเม็ดเลือดขาวอ่อนแอเชื้อโรค ก, ก็เข้าโจมตีได้แล้วสารเคมีในอวัยวะต่างๆไม่ทํางานในในสมองในตับในในไตไม่ทํางานร่างกายก็อ่อนแอลงไปเชื้อโรค ก, ก็เข้าโจมตีแล้วก็เลยตายไงนี่เนี่ยมันแช่ ไปแช่ใจที่มันสบายว่างไม่คิดไม่นึกอะไรแต่ตัวเองคิดนึกอยู่ตลอดมันพูดอยู่คนเดียวตลอดเวลาแต่ไม่เห็นตัวเองพูดอะไรมันไปแช่นี่ใจที่สบายใจว่างพวกนี้ถึงตายนะอันตรายมากแต่พวกที่ไอไม่หยุดเนี่ยไอแห้งไอไม่หยุดเนี่ยสะกดจิตคือไม่ยอมให้มีความคิดไม่อยากให้มีความคิดไม่อยากให้มีอารมณ์อยู่กับใจนิ่งๆอย่างเดียวพวกเนี้ย เขาใจผิดอีกแบบหนึ่งคือไปสะกดจิตให้มันนิง่งไม่คิดพยายามไม่ให้ไม่คิดอะไรให้มันนิ่งอยู่แค่นั้นแหละแล้วก็ใครทําให้เรามีอารมณ์อะไรก็ตามไม่ยอมคือไม่ยอมที่จะรับรู้อารมณ์นั้นตามความเป็นจริงก็นิ่งอย่างเดียวกดจิตเองให้นิง่งกึบทะเลาะกับสามีบ้างทะเลาะกับลูกหลานบ้นางทะเลาะกาับเพื่อนโรงงานบ้นางทะเลาะเจ้นานายลูกน้องมีปัญหากับคนนั้นคนนี้แต่แล้วก็นิง่งจิตเลยในใจอ่ะพวกเนี้ยไม่ถึงตายนะ พวกนี้ไม่ถึงตายเพราะว่าจิตมันเป็นสกดให้นิ่งไว้เฉยอ่ะมันไม่ถึงตายแต่ต้องไปหาหมอโรคประสาทต้องกินยาต่งอประสาทเพราะอะไรมันเนี่ยแตะก็ไม่ได้ใครแตะนิดนึงน้ำตาล่วงเพาะเลยแตะนิดนึงครูบาอาจารย์ว่าหน่อยเนี่ยของขึ้นอารมณ์ขึ้นแตะหน่อยร้องไห้ง่ายมากเลยอ่ะนับแต่วันใจเสาะมากเลยใจน้อยแตะไม่ได้พูดก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้กระทุ้บก็ไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าใครนะ แต่พูดเป็นส่วนรวมเพื่อใครไปฟังซีดีไปฟังไอ YouTube เนี่ยของเราเนี่ยอันเนี้ยมันจะรู้จักแก้ไขตัวเองว่าอันเนี้ยมันผิดมันผิดมันผิดมาจากการปฏิบัติของเราที่เราเข้าใจผิดว่าเนี่ยใจที่มันต้องนิ่งเฉยงเงี้ยใครว่าใครใครพูดใครอะไรชัดไม่มีอารมณ์ชัดไม่มีความคิดไม่มีอาการสะเทือนใจอะไรนิ่งอึดอึด ปืดๆอยู่ข้างใ น, นพวกนี้ลังสีของจิตอะดำฝีเลยดํามืดไปหมดเลยแล้วก็ไอแห้งไอคอแก่คอแก่เป็นเดือนๆหลายเดือนก็ไม่หายแล้วกลายเป็นโรคอะไรตามมาเยอะเลยตอนนี้หลายโรคตามมาตา ม, มาเยอะนะเนี่ยโอ้ยเราเห็นแล้วหลายโรคในโรคขอบโรคอืดโรคไอไทรอยต่างๆเนี่ยโอ้ยตามมาโรคไม่เกรปวดหัวข้างเดียวท้องอืดแน่นไปหมดเลยเนี่ยลิย้นเป็นฟ้าขาวกินข้าวไป็ได้ขอบตาแดงคันไปนหมดทันทีคันเป็นผนื่นขึ้นตามตัวไม่ทราบสาเหตุเนี่ย สำคัญที่สุดคือโราหดจางเม็ดเลือดขาวเนี่ยน้อยเหลือน้อยเต็มทีอ่ะเลยจึงกลายเป็นภูมิคุ้ม ก, กันบกพรองทําร้ายตัวเองเนี่ยแล้วก็สารเคมีในร่างกายผิดปกติเนี่ยเราไปสอนมีหมอท่านนึงเนี่ยเราไปสอนที่โรงพยาบาลหมอท่านนึงบอกว่ารับสารภาพเลยบอกว่าอาจารย์ผมก็ได้ยินอาจารย์พูดอย่างเนี้บ่อยมากเลยบอกตรงๆผมไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อผมผมก็ผมศรัทธาอาจารย์อยู่แต่ว่า ไอ้ตรงนี้ที่บอกอาจารย์บอกว่าโลคพวกนี้ยมันมาจากสุก้จินผิดมันแช่ผมไม่ไมค่อยเชื่อเลยไนงะแต่วันนึงเนี่ยผมตกใจเลยคือมันมีคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ที่มารักษาเนี่ยรักษาไม่หายทันทีรักษาอยู่นานแล้วจะตายแล้วเพราะเกล็ดเลือดมันไม่เพิ่มขึ้นทันทีแต่เขาเนี่ยนอนยิ้มนอนยิ้มอยู่เลยนะหน้าตานอนยิ้มจะ ต, ตายก็นอนยิ้มเอ๊ะเขาเลยสงสัยว่าคนเป็นโรคผมคิคุมการบกฟ้องทําร้ายตัวเองมันจะตายแล้วยังนอนยิ้มอยู่ได้ไหม <c oughs> เขาก็เลยสงสัยว่าจริงอย่างที่อาจารย์ว่าครับ พวนี้มันแช่มันเกิดจา ก, การแชร่แช่ใจที่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายว่างๆเอ๊หรือเขาจะฝึกกิตมาแล้วฝึกผิดแต่ก็ไม่กล้าถามเขาเพราะว่าไม่ได้เป็นคนไข้ของตัวเองอ่ะเป็นคนไข้ของหมอคนอื่นพอดีลูกศิษย์คนนี้หมอคนนี้ยเขาเป็นลูกศิษย์เราพอลูกศิษย์หมอเนี่ยออกไปหมดแล้วเหลือแต่อาจารย์หมอคือตัวเขาอ่ะเขาเป็นอาจารย์หมอเคเลยแอบไปถามไปถามคนไข้ไหมขอโทษคุณเนี่ยปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเนี่ยพูดแค่นี้ไงโอ้โหเหมือนกับมีพลังขึ้นมาเลยอ่ะโอ้เขานี่นะ ปฏิบัติมาตลอดเลยนั่งสมาธิมายี่สิบปีแล้วมหมอนี่ตบอกผางเลยโอ้โหใช่เลยนั่งสมาธิมันแช่ยี่สิบปีมันถึงหาสาเหตุของโรคไม่เจอถึงตายแล้วเนี่ยถึงตายเลยพวกนี้วิธีแก้เนี่ยถ้าใครแช่จนอไอเก็ดเลือดขาวต่ำจนกระทั่ง ปูกุศลบกพ้องทำร้ายตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็ทั้งเชื้อโรคเข้าโจมตีร่างกายได้สารเคมีนในร่างกายที่หลังผิดปกติตามาวิทวาต่างๆถึงจะเป็นตายเนี่ยให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ศรัทธาต้องศรัทธาร้อปอศรัทธาเต็มเปี่ยมในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคุริยสงฆ์ในพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะคุณบิดามารดาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็บารมีที่เราก็ทํามาแล้วทั้งหมดอั้นที่ฐานขอให้าทุกท่านทุกขัน หรือสารพลังงานและความว่างจนกลับคืนสู่ความเป็นปกติตามธรรมชาติสมดุลตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติตลอดเวลาตั้งแต่บัด น, นี้ไปต้นไปด้วยเถินอธิษฐานซ้ำๆๆๆๆๆๆไม่ต่อเนื่องไม่ขาดสายจนกระทั่งมันความคิดของเราเนี่ยจนทั้งความคิดของเราการพูดของเราเนี่ยกลับคืนมาเป็นปกติสามารถอธิษฐานและพูดได้เร็วพูดได้เร็ ว, ดดรวชัดเจนพูดชัดช้แต่คำแต่เจนเราก็ให้ท่าทุกท่าการทุกข์ทุกข์ราสพลังงานควว่างปติไม่เป็นยากรับคืนสุขภาพเป็นปกติเป็นปกติต้างชาติตัวเดือนชาติอัตโนมัติตลอดเวลาย หายไปแล้วหลายคนแต่พวกที่ไม่หายคือพวกจะสะกดจิตนิ่งเฉยไอวันี้ที่ฐานนี่ก็ไม่หายเพราะว่ามันจะไม่ได้แก้ความก็ใจผิดแต่พวกที่แช่แล้วที่ฐานแบบเมื่อกี้เนี่ยหายก็จริงอ่ะแต่ช่างยังไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุว่าเกิดจากการแช่ถึงหายออกมาแล้วก็กลับไปแช่แล้วก็เป็นอีกเพราะอะไรเพราะคิดว่ามันมันตกไปในร่องว่างแล้วไม่ไม่รู้ตัวตัวะทีแล้วกลับไปอยู่ในร่องว่างไอร่องว่างเนี่ยมันกลับไปตกในร่องว่างเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่เห็นตัวเองคิดตัวเองพูดอยู่คนเดียวบนคนเดียวในใจมันกลับไปตกจ้องว่างมันเลยจะตายเห็็นนนมมั้ยยยเเเเี่่หหออราากไปปชวทงลคดะ แต่หมอเนี่ยดื้อเลยนะเพราะมีความรู้มากนะเนี่ยบอกมันเป็นโรคอาจารย์มันเป็นโรคมันจะโรคบอกเป็นโรคแล้มันแช่มันเป็นโรคจริงนะเพราะไปตรวจมันร่างกายก็ต้องเจ็บป่วยจริงอ่ะไม่แม้ร่างกายเจ็บป่วยแล้วตรวจก็ต้องเจอร่างกายเจ็บป่วยแต่รู้ไหมว่าไอ้ร่างกายเจ็บป่วยมันเกิดจากสมุติฐานของโรคคืออะไรมันแช่แก้แช่ได้เลยแล้วก็ร่างกายก็รักษาไปเดี๋ยวมันก็หายแต่ถ้าไม่ไม่รู้สมุทรฐานของโรคแก้มาเสร็จให้ยาภูมิแพ้ให้ยาอะไรก็ตามเดี๋ยวมันก็กลับไปแช่ก็เป็นอีกคนได้ตายจนได้ แต่ถ้าคนที่สะกดจิตจนไอคอกแกล ก, กไม่หายสักทีนะคือกดจิตจนนิ่งใช่เวลาพอไม่มีเรื่องไม่มีอารมณ์ไม่มีเรื่องอะไรไม่มีเรื่องอะไรไม่สบายใจไม่มีเรื่องอะไรไม่สบายใจนะ ฟุ้งซ่านฟุ mm ้ง hmm. เ <No. S 1> นี parole, <adic> ้ยไม่ไม่ได้ฝึกจิตอะไรหรอกไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเวลาพอไม่มีเรื่องเรื่องเราเลยกระทบใจฟุ้งซ่านอย่างเดียวฟุ้งซ่านคือไม่ได้ไม่ตติตั้งตีใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปวางที่ใจเลยส่งจิตออกนอกไปหารูปรถจิตเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้หมดเลยสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดรูปรถจิตเสียงสัมผัสจิตติธรรมอารมณ์ทุกขณะปัจจุบันเรียกว่าอารมณ์ส่งจิตไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้หมดไม่ได้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวงที่ใจตลอดเวลา เมื่อสติไม่ตั้งดีใจไม่ดูที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจว่าในใจเราเนี่ยพอไปรู้รู้ลดกินเสียงสัมผัสรู้อาการของใจหรือทำอารมณ์คือรู้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ของใจเนี่ยแล้วมั น, มอในใเอ า, เามาคิดยังไงในใจเอาเข้ามาคิดยังไงเอาสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยในขณะปัจจุบันนะ่ะมาคิดว่าอย่างไงมาคิดติดตองว่าอย่างไางเช่นเดจยมสามคนเข้ามาเนี่ยเออขามาจากไหนเออเป็นไครเคยเจอกันไหมเนี่ยมาได้ยังไงอะไรมันก็มันก็คิดอยู่รู้อยู่แต่ก็รู้ว่าตัวเองกำลังคิดอะไรอยู่แต่ถ้าไม่รู้ว่าตตตััวเเเเอออออองงคคคิิิิดดดยยยู่่่่่นนีีาาาแกกกบข้ส แต่ถ้ารู้ตัวเองว่ากําลังคิดอะไรอยู่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนจบจะถามเขาว่าเออเขาเป็นใครมาจากไหนอย่างไรแล้วมานี้ได้อย่างไรเอออย่างนี้มันรู้ตัวอยู่แล้วเราก็สอนต่อไปแต่ถ้าไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะกําลังคิดอะไรคิดแต่เพียงคิดอยู่นั่นแหละไปกับความคิดไปเอาจิตสรงออกนอกไปสนใจแต่เขาอย่างเงี้ยทรงจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือเป็นเหตุที่ทําให้ไม่สิ้นทุกข์ได้เป็นฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยผลในจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์เราต้องรู้ตัวเราเองทุกขณะปัจจุบันว่าทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเรา เราเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาคิดปรุงคิดคิดปรุงปรุงคิดคิดตึกตองปรุงแต่งไว้อย่างไรในใจเราทุกขณะปัจจุบันแล้วสะติตั้งที่ใจดูที่ใจสังเกตที่ใจไล่ใจปล่อยวางที่ใจไม่ใช่รู้เพื่อไปทําอะไรนะรู้เพ่อปล่อยวางปล่อยวางตัวเราที่เขาเอาเข้ามาคิดเอามานึกมาตึกมาตองแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยไม่ไม่สติตั้งที่ใจดูที่ใจสังเกตที่ใจที่ใจปล่อยวางที่ใจเราจะเอาสติไปตั้งที่รูป ไปตั้งที่เสียงไปตั้งที่กลิ่นไปตั้งที่รถไปตั้งสิ่งที่สัมผัสไปตั้งที่อาการทั้งใจปโ actions, ป่งโล่งเบาสบายไปที่รนผักใส่อาการที่ไม่โป่งไม่ madı, ลโล่งไม่เบาสบายไหลไปกับความคิดไหลไปกับอารมณ์อย่างเนี้ยฟุ้งซ่านทั้งวันส่งจิตออกนอกทั้งวันเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนเพราะแหละส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลอย่างจิตส่งออกนอกเป็นคุกเนี่ยจิตเห็นจิตยั imet, งแจ่มแจ้งเป็นมรผลอย่งจิตเห็งจิตยังแจ่มแจ้งเป็นนิโรจคือความดับทุกข์เห็นจิตเห็นจิตแแจ่ม้งอ ก็คือเนี่ยอยส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้คืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสเตี่ยสีร่างกายเราแล้วก็ทำอารมณ์คือเวทนาสัญญาสังขารคืออาการที่เกิดขึ้นในใจคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆสัญญาความจําได้ไม่รู้ความคิดปุงปุงคิดมันก็คิดปุงปุงคิดเนี่ยเออใครเออโยงเข้ามาเนี่ย สามคนนึ่เออไม่ยังไม่เคยเห็นหน้ามาจากไหนเนาะเดี๋ยวเดเดี๋ยวสอนเสร็จเดี๋ยวจะถามเขาก็รู้ตัวอยู่แค่นี้แล้วก็สอนต่ออย่างเนี้ยแต่ถ้ามันส่งไปข้างนอกมันจะคิดไปเรื่อยเลยแล้วไม่รู้ตัวเองคิดอะไรอันเนี้ยมันฟุ้งซ่านอคิดออกนอกแต่ถ้ารู้ตัวเองคิดอะไรอยู่เออเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปจบก่อนเดี๋ยวสอนจบก่อนเดี๋ยวไปถามเขาอย่างเนี้ยโอ้ยชีวิตมันนี่อยู่ไม่ว่าใครก็ต้องนึกติดตองมันต้องเอามาวิเคราะห์วิจารณวิจยัยต้องคิดติดตองอันเนี้ยมันทําให้เป็นคนฉลาดยิ่งเห็นอะไรยิ่งรู้อะไรแล้วมมมมัันนนนนนนเออาาาาคคคิิดดตต่่กฉื คนเห็นอะไรเออไม่เอามาคิดพิจารณาพิโกตึกตอบว่าอะไรเป็นอะไรมันยึงโง่ดักดานเข้าไปเรื่อยๆนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ท่านด่าเจ็บมากเลยว่าเจ็บมากเลยไม่ให้เพื่อนมะเตือนว่ารู้อะไรเออรู้อะไรเออไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่นํามาคิดพิจารณาคิดนึกตึตองว่าอะไรมันดีมันชั่วมันถูกมันผิดมันเป็นเหตุเป็นผลมันควรจะทําไม่ควรทํามันควรจะรู้ไม่ควรรู้มันควรจะทําความเข้าใจให้มากขึ้นมันควรจะต้องเรียนรู้ให้ฉลาดมากขึ้น เอออย่างเดียวไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฉยอะไรเนี้ยแปลว่าอย่างนี้มันฝึกจิตให้งอดักดานมากี่ชาติแล้วมาในชาตินี้มันจะโง่ดักดานนี้ไปอีกกี่ชาติเฉยอย่างเดียวไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้อะไรไม่ไม่สังเกตเรียนรู้จดจําทําความเข้าใจเลยเออแต่แค่มันรู้อยู่ตัวเองว่าตัวเองอ่ะมันมันเอามาคิดตึกตองวิเคราะห์วิจารวิจัยไงภายในใจ เออมารู้แล้กก็วางไปรู้อะไรเห็นแล้วเข้าใจแลกก็วางไปรู้อะไรเห็นแล้วทําได้แล้วเข้าใจแลกก็วางไปเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าฟุ้งซ่านอย่างเดียวอ่ะฟุ้งซ่านส่งจิตออกนอกอย่างเดียวทั้งวันคุยกันทั้งวันฟุ้งซ่านทั้งวันตร ง, นงจิตออกนอกไปตลอดเวลาไม่รู้ว่าใจตัวเองอ่ะคิดอาไอยู่ก็านายพูดไปยังไงเวลาทํากับข้าวทํารัวทํางานรับราชการทํางานธุรกิจทํากิจการงานอะไรในชีวิตประจําวันเราก็สง่งจิตออกนอกไปอยู่แต่งานที่ทําเนี่ย แต่เราไม่ได้สังเกตเลยเวลาที่ทํางานเนี่ยให้มีสัมปชัญญะทางานทุกอย่างให้ไม่ผิดพลาดจะขับรถอยู่ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะในการขับรถไม่ผิดพลาดคืรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาอย่าทำงานอย่าขับรถอย่าชนกันอย่ามันตกถนนอย่าผิดพลาดแต่สติเนี่ยจะต้องรู้ที่ใจดูที่ใจละที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรกระทบอะไรสัมผัสอะไรทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาคิดคิดตองวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอย่างไรในใจทุกขณะที่ปัจจุบันเรียกว่า สติตั้งทีใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางปล่อยวางที่ใจเราปล่อยวางไปวางไปวางไม่ใช่รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อความปล่อยวางปล่อยวางตัวเราก็พ้นทุกไปแต่พอเราเนี่ยทุกขณะปัจจุบันไม่ฝึกแบบนี้ไม่สต <lyrics for shouting guys> ิตั้งที่ใจดูที่ใจสังเกตที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจวุ่นแต่ฟุ้งซ่านส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ผลเสียมันคืออะไรผลเสียมันคือเมื่อไรที่ไม่สบายใจเมื่อไรถูกกระทบเมื่อไรทะเลาะกัน เมื่อไรไม่ได้อย่างใจทะเลาะกับสามีทะเลาะกับลูกทะเลาะกับเพื่อนโรงงานทะเลาะกับเจ้านายลูกน้องหุดหิดเขาแก่นั้นน่ะกดจิตนิ่งใจเงียบติ๊บอยู่ข้างในไม่พูดไม่จาแล้วที่สุดแล้วพวกนี้ยไอไม่เลิกไอคอกแคกก็ร้องก็ะเดกก็ะเดกกินเลยเนี่ยหมอหาสาเหตุไม่ได้กินยาแก้ไออยู่เนี่ยปอดก็ไม่ไม่เป็นโรคปอดได้เวลาไอเป็นไปรุ่กี่เดือนตัวกี่เดือนก็ไม่หายแล้วลังสีจิตโดกมาดํามืดเลยแล้วพวกเนี้ผลเสียตามมาคือแตะไม่ได้ พ่อแม่กูบาอาจารย์หรือใครก็ตามหรือสามีภรรยาเลยหรือใครว่าหน่อยไม่ได้เป็นมากขึ้นทุกวันแต่นิดเดียวน้าตาไหลแต่นิดเดียวของขึ้นแต่นิดเดียวน้ําตาไหลแต่นิดเดียวของขึ้นจะไ ม, ม่ใครกล้าใครกล้าว่าใครกล้าสอนอ ต, ตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นมาแล้น่ยยี่สิบปีที่เราสอนมาเนี่ยเป็นกันอย่างเงี้ยพัดซ้ายพัดขวาตกซ้ายตกขวาแล้วก็แก้มาแก่มา ใ้กันเยอะสุสิตเราหูปีตัวใหญ่ทะยับลำสันใจน้อยเราแตะนิดเดียวน่ะของขึ้นราว่าหน่อยน้อยใจข้างในร้องไห้โอ้ยเราบอกมีด้วยเป็นไปด้วยอารมณ์จะสอนอยังไงวะแต่ละคนเป็นไปด้วยแต่อารมณ์เราพูดนิดหนึง่งแตะนิดหนึง่งร้องไห้ข้างใน มโหมโหเสร็จแล้วก็ไหววัน pues น like. ี้โมโหเราเนี่ยไหมเนี่ยโมโหเราแล้วเนี่ยร้องห้วันเรพูดแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวไม่ทันอะไรหรือโว่าปฏิบัติมันไม่ถูกแบบนี้ต้องให้แก่เงี้ยแกนั่นเนี่ยโมโหเราเลยบอกไม่ถูกโมโหมโหเราให้แก่เงี้ก่อนอย่างนั้ไม่ถูกต้องต้องแก่อย่างเงี้ยมโหเพราะมโหเราว่าเนี่ยในโมโหเราแล้รองไห้ข้างในแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมโหเดี๋ยวร้องไห้อย่างนี้เราเขาจะไปสอนได้แล้วเนี่ยพูดก็ไม่ได้แตะก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้แล้วเขาจะไปสอนได้เมื่อกี้ก็ว่าดิเอว่ามโหอย่างนี้ก แล้วมาโหงีไปพูดสอนไปรู้เรื่องเลยสอนยากก็เป็นแบบนี้ไม่รู้จะว่าไงบางทีเราก็ต้องปล่อยเลยตำเลยเอาเอาว่าไม่ได้แต่ไม่ไหนก็ต้องค่อยๆร อ, อจังหวะเออกการากันใจไหมละ่ะอย่างเงี้ย